ส่งกันบ้างเลย2ี่สิบเคยมาไหมเคยมานี่เออเป็นไงส่งมาใก้หน่อยก็กยังไม่ค่อยขยันปฏิบัติเท่าไหร่สติก็ยังไม่เกิดจริงอะค่ะเห็นกิเลสบ้างไหมวันวันเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นกันค่ะเห็นนั่นแหละสติมันเกิดอ๋อเหรอคะ เวลากิเลสมันไหลมานะสูรใจเราแต่เรารู้วับรู้ทันนะกิเลกก็ดับปั๊บลงไปใจเราก็สงบสุขเบิกบานขึ้นยิ่งรู้บ่อยๆ ย, ยิ่งดีตอนนี้พอพอใช้ได้บ้างไหมคะหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวจะขยนันงานนรมัสการพระอาจารยะคะ์ค่ะ อ, อาทิตย์นี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็จะพยายามทำจิตมันตื่นแล้วเราก็อย่าละเลยนะทั้งสองคนพอเรามีสติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วนี่ใหม่ๆถ้าไม่สนใจมันก็เสื่อมไปได้อีกมันยังเป็นโลกิยะอีกไม่ใช่โลกุตระนะนนธรรมะที่เป็นโลกิยาไว้ใจไม่ได้เขาเสื่อม ล้วก็ดูบ่อยๆอ ย, อย่างขี้เกียจนะสองคนนี้จิตมันเริ่มใช้ได้แล้วองแผมก็ดีแล้วคือมีคำถามพระอาจารย์อยู่นะคะคือพอดีว่าเมื่อวันพฤหัสนะฮะเข้าอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เลยได้ไปเจอข่าวว่ามีดาราคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตคือไม่ได้รู้จักอะไรเขาอะนะคะเพ<ม>ียงแต่ว่าพ อ, พอพอได้ข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยใจมันวูบอะ่ะ มันเหมือนจะเห็นใจมันรูบแล้วก็แล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันบอกตัวเองว่าชีวิตเรานี่เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยอันนี้อันนี้ถือเป็นสติหรือว่าเราคิดไปเองคือมันเป็นความเฉลียวใจเป็นปัญญาของเรานะเป็นปัญญาพื้นพื้นอันหนึ่งพื้นฐา น, นที่จะทำให้เราไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก่อนจะออกบวชก็เห็นคนตายเหมือนกัน พอเห็น okay. นตายแล้วรู้ว่าวันหนึ่งตัวเองก็ต้องตายไม่ประมาะดีแล้วเนี่ยเห็นเทวทูตหลวงพ่อก็ชอบไปงานศพนะเม่อกอนนี้ใครชวนไปงานแต่งงานนะที่เกียดที่สุดเลยงานหลอกหลอกหลอกลวงไปงานศพนี่งานจริงๆใจแล้วได้ธรรมะเมื่อก่อนนี้พ้าดเลยนิยมไปเที่ยวปา่าช้าเดี๋ยวนี้ไปป่าช้าก็ไม่มีอะไรให้ดูนะแต่ของหลอกหลอกอีกแล้ว คือทีมงานช่วงนี้อะค่ะเหมือนกับว่าพอเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แล้วมันมีแบบทะเลาะกันเยอะมากทุกวันเลยทีนี้ก็ใช้ธรรมะเนี่ยค่ะคือค่อยๆดูใจตัวเองว่ า, าเราโกรธไหมเรารู้สึกอะไรไหมเขาพูดไม่ดีเรารู้สึกอะไรไหมเหมือนกับมันไม่รู้สึกเลยอะค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เลยมีความสุขแล้วเราจะเป็นงี้อีกนานไหมคือเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่เราไม่ได้มี <c oughs> ความรู้สึกกับ คนรอบๆอย่างเงี้ยค่ ะ, ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์จะอยู่ในจะจะเห็นพระอาจารย์บ่อยมากเลยคือมีความรู้สึกว่าอืมก็แปลกดีนะว่าเหมือนกับคนแบบผ่านไปผ่านมาโดยที่เราไม่ได้มากระทบอะไรกับเรา<ม>อะไรเงี้ยค่ะแลก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยจะอยู่กับเราอีกนานไหมอะไรเงี้ยค่ะมันของไม่แน่นอนนะไม่ใช่ของที่จะเอาการที่เรา ใจสงบตั้งมั่นสัครบารู้สัคว่าดูก็ดีแล้วแต่ต้องระวังนิดหนึ่งตรงที่สัคว่ารู้สัคว่าดูนี่ยผมใจไปหรือเปล่ายังคมไปนะขมมากไปนิดหนึ่งนั้นใจจะนิ่งผิดความจริงอยู่นิดหนึ่งนะเบอร์เจ็ดสิบอย่า ก, กดนะดูออกไหมอย่าไปกดมันให้ดูปล่อยอ่ะ มันจะเศร้าๆ เ, เพราะว่ามันกลัวว่าเหมือนว่าถ้าเกิดเวลามันมีน้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคือเวลาจะมีน้อยเวลาจะมีมากนี่นะช่วยไม่ได้ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยเร่งกว่านั้นไม่ได้ละมีแต่ว่าต้องรู้ไปรู้ไปจนมันหนึ่งใจเขาพอเขาก็ตัดสินความรู้เองเราจะเร่งาตามใจชอบไม่ได้ การที่เห็นว่าเวลามีน้อยแล้วไม่ประมาทมาหัดเจริญสติอันนี้ดีแต่พอมีสติแล้วรู้สึกเวลามีน้อยลูกตีลุกโรนนี้ใช้ไม่ได้นะยิ่งช้าต้องใจถึงถึงต้องตั้งหลักแค่ว่าเรารู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะรู้ได้ผลจะเป็นยังไงช่างมันถ้าเราเรียนเพื่อจะรู้ว่าวันหนึ่งนะเราจะรู้ว่ากายในี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ตอนนี้ก็ฟังว่ามันไม่ใช่เราไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนเท่าไหร่ที่จะให้มันดีหรอกใจถึงถึงนะถ้าใจไม่ถึงแล้วก็ช้ า, าใจไม่ถึงก็่าดิ้นดิ้นดิ้นยิ่งดิ้นใหญ่ใจมันเศร้าดูลงไปใจมันเศร้าเศร้าหรือไม่ได้ข่าวดาราตายเลยเศร้า <c oughs> อยู่อย่างหลวงพ่อดีนะใครมันจะดังแค่ไหนก็ไม่รู้จักหรอก ใครจะอยู่ใครจะตายไม่ค่รู้หรอกเราเห็นแต่จิตเกิดดับก พ, <c oughs> พอแล้วแล้วก็แบบแข็งๆทื่อๆนิๆนเดะนะครับเออจับถูกแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็แบบไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แบบคือแบบเห็นเออ่คือสมมคิดไปแล้วครับมันเหมือนมีความคิดกานแล้วก็เพิ่งคิดได้ว่าเราเคยคิดก่อนหน้าที่มีความคิดกันไปอะครับมไม่ได้แบบเห็นตรงปัจจุบันนะครับไม่ต้องตรงปัจจุบันแล้วตามรู้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ใจมันคิดไปก่อนนะใจมันคิดแล้วก็เกิดสติระลึกได้ว่าเมื่อกี้คิดอย่างนี้ใช้ได้รู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดครับตัวนี้แยกได้ยังระหว่างจิตคิดกับเรื่องที่คิดคือเราแต่เราแตะสะงขับล้วแต่วันนะครับลาแต่ขณะนั้นนะครับดีแล้วนะพวกเด็กๆเด็ก น, นี่ภาวนาเก่งนะหน้าตาผ่องใสดี ขอบคุณครับอ่ะอันนี้พวกไม่เด็กบ้างเริ่มเห็นว่าจิตเนี่ยมันเป็นเหมือนการลงผลิตความทุกข์อะค่ะแล้วมันก็ดื่มสัครุกอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้แจกไปที่อื่นรูเรื่อยๆ อ, อยากทุกข์เยอะๆไหมมันมันเริ่มจะเหมือนคนเป็นมะเร็งนะคะมันมันจะหาความสุขไม่ค่อยจะเจอแต่มันก็ไม่ถึงกับ หมาถึงว่าเมื่อก่อนมีความสุขมากกว่านี้มันแบบสุขง่ายๆะแบบได้ไปเที่ยวไปอะไรก็สุขแล้วแต่ตอนนี้มันทวนามากๆนะโลกนี้จืดไปเที่ยวก็เงั้นๆแหละมันหาความสุขยากขึ้นมันจืดชืดน ะ, ะทําอะไรก็ดูจืดชืดไปไหมดแล้วโลกนี้จืดชืด ะ, ะไรรสชาติแล้วมันเห็นทุกเล็กๆก้อนเล็กๆแน่นๆแล้วก็เห็นจนกระทั่ง ทุกใหญ่ก็จิตลงไปดิ้นพลัดพลาดเห็นนะคะแล้วก็เห็นว่ามันปรุงขึ้นมาเองเพราะว่าสภาพเดียวกันเนี่ยพอมันไม่ปรงุงมันก็เฉยๆแต่พอมันปรงุงมันลงไปถึงกระดิ้นได้แปลก ม, มันไม่ถึงผัดสะตัวเดียวกันนะคะดูต่อไปได้ไหมว่าอะไรผลักให้ปรุงความคิดลึกลงไปเลยนะก็คือความรักตัวเอง<า>เรารักตัวเองอะเราก็เลย อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบพอไม่ดีไม่สุขไม่สงบก็ดิน้นพอจิตใจยิ่งดิน้นจิตใจยิ่งทุกข์พอจิตใจยิ่งยิ่งทุกข์จิตใจก็ยิ่งดิน้นดิ้นไปเรื่อยน่าสงสาร <c oughs> แต่ช่วยไม่ได้ <c oughs> ตัวใครตัวมันนึกถึงคำหลวงพ่อที่ว่าสมน้าหน้ามันก็ยังนึกเออใช่สมน้าหน้ามันทําเองทําเองแหละใครเขาหาความทุกข์มาให้เราเราหาเอง คนอื่นสร้างปัญหาให้ได้นะ ใ, นใจเราเข้าไปหยิบไปเฉวยเราอยากให้ปัญหาอันนี้หายไปอยากให้เป็นอย่างอื่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจอยากว่าต้องทุกข์แล้วท่านในคนเป็นไงครับผมบในสบายาบสบายในชีวิตประจำวันเนี่ยบางวันก็ตามรู้ได้ดีบางวันก็ไม่ค่อยเอาไหน บางบางตื่นขึ้นมานี่ไม่ทานคิดอะไรไม่คิดจะดูก็รู้นะครับจิตเขาทำงาน <Ừ. S 1> บางทีเขาร้องเพลงลบางทีเขาร้องเพลงโดยเราไม่ได้คิดจะร้องมีครั้งหนึ่งนึกถึงบทธรรมะค่าว่าร้อกเวียนต้องหมุนตามรอยเท้าโคก็ได้ยินเสียงเพลงอะไเขาร้องมารอยโค ร, รอยเวียน ร้องเพลงรอยโครอยเวียรมันก็เหมือนกับที่ห้าสิบปีที่แลซึ่งเราไม่เคยคิดจะร้องอแต่บางวันก็ตามรู้ไม่เข้าได้ครับผมจิตใจการภาวนาของโยมดีขึ้นนะจิตใจมันดิ้นรนน้อยลงนะใจมันนุ่มนวลมากขึ้นครับมาณัตตาเริ่มลดลงโยมดูออกไหมรเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นธรรมดามากขึ้น เราจะภาวนาจนวันหนึ่งเราเป็นธรรมดาจริงๆเลยนะรธรรมดาจิตใจร่างกายจิตใจเนเรารู้สึกเหมือนเป็นส่วนเดียวกับธรรมชาติข้างนอกเลยไม่แบ่งแยกมีเขามีเราอะไรขึ้นแต่ดีแล้วที่ทำอยู่ดีใจค่อยสงบค่อยสบายครั บ, รบเบอร์เจ็ดสิบห้าแม่เอาก็ส่งผ่านได้นะเขาก็ <c oughs> เปนครั้งแรกที่มาตื่นเต้นนีดหน่อยอแล้วก็เหมือนโรงเรียนไหมอาจารย์ไล่ทีละคนทีละคนแต่โดยส่วนตัวเห็นหลวงพ่อครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าลึกๆแล้วเหมือนกับเคยเห็นเคยรู้จักเคยสัมผัสมาก่อนครับโดยส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้สภาพจิตก็ต้องการความมั่นคงมากกว่านี้เพราะว่าจิตของตนเนี่ยเแปรปรวน เอเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนง่ายแล้วก็ตัวความคิดเนี่ยครับรถแล่นบางครั้งมันก็เร็วกว่าสติออืมันกับรถยนตนะครับบางที่กับเด็วไปก็ไม่ดีวันนี้เป็นนักเขียนหรือเปล่าสำนวนดีก็อ๋อก็กํำลังทํางานเขียนอยู่ครับแล้วก็มันก็ต้องเนี่ยครับพยายามที่จะไม่ให้จิตของเราเนี่ย นิ่งมากกว่านี้จะให้นิง่งนิ่งหมายถึงว่าเพราะว่าถ้าเราคิดเร็วเกินไปเนี่ยบางทีมันเหมือนกับครับ ค, คือการปฏิบัติมีสองอั น, นอันหนึง่งทําจิตให้สงบอันนึง่งทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นความจริงทําจิตให้สงบเนี่ยทำใจให้สบายก่อนแล้วก็ไปรู้อารมณ์เดียวสบายๆเช่นรู้พุโทโธรู้ลมหายใจสบายๆอย่าอยากสงบนะ ทำใจให้สบายแล้วแป๊บเดียวจะสงบนี่เคล็ดลับนะส่วนการจะทําให้จิตรู้ความจริงเนี่ยเราจะตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยไม่ไปบังคับเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตทํางานทั้งวันทั้งคืนฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งนะเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แ ฟ, ฟบรู้สึกใช่ไหมให้ตามรู้ไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงตามรู้จนมันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าจิตที่ทํางานฟูบ้างแฟบบ้างนะเขาทําของเขาเองเขาไม่ใช่ตัวเรา ถ้าวันใดจิตใจยอมรับความจริงว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยจะเข้าถึงธรรมะธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงเบื้องต้นเลยก็คือขันห้าไม่ใช่ตัวเราเหรอกขันห้านี้ถ้าเข้าไปหยิบช่วยเข้าไปยึดถือไว้จะเป็นทุกข์อันนี้ยังไม่เห็นแล้วขั้นสุดท้ายเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์นั้นปัญญามีหลายขั้นปัญญาเบื้องต้นเราก็เห็นวนะ่าขันห้ามันทํางานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเรา ปัญญาขั้นกลางก็เห็นว่าถ้าจิตเข้าไปหยิบช่วยขันห้าไว้จิตจะเป็นทุกข์ถ้าไม่หยิบจิตจะไม่ทุกข์แล้วปัญญาขั้นสุดท้ายในปัญญาที่รู้แจ้งอนนริยสัจขันห้าหรือตัวจิตนี้แหละตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดขันห้าก็เป็นตัวทุกข์งั้นปัญญาในทางศาสนาพุทธนะั้นมีเป็นชั้นๆไปเหมือนกันเป็นลำดับๆลำดับไปปัญญาแต่ละชั้นฟังแล้วเหมือนๆขัดขัดกัน ความรู้ความเข้าใจของเราที่เกิดขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างเราภาวนาพอสติเราเกิดเรารู้เลยถ้าเมื่อไหร่ใจของเรารู้ตื่นเบิกบานมีความสุขใจเราหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งใจจะมีความทุกข์แล้วก็เข้าใจธรรมะเหมือนกันแต่เข้าใจระดับหนึ่ง แต่เมื่อใดเข้าใจไว้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งจะอยากจะยึดหรือไม่นะเขาทุกข์อันนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้าเมื่อไหรรู้ทุกข์เมื่อนั้นแต่ถึงธรรมแล้วุถุเทสเรียกว่าสิ้นโลกเหลือธรรมพอรู้ว่าขันเป็นทุกข์นะมันจะวางขันลงไปไม่ยึดถือขันสิ้นโลกเลยเหลือธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆนี้มีแต่ความเที่ยงทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่เคยหายไป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 พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านก็เป็นแค่คนบอกทางบอกทางก็คือให้มารู้กายมารู้ใจเรียกว่ารู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แกมแจ้งก็ละสมุทยัยละสมุทัยจิตก็ไม่ดินน้นรนเข้าถึงสันติสุขที่เรียกนิโรธหรือนิพพานนท่านบอกทางให้เราก็มีหน้าที่เดินทางเอาเองแล้วไปเรียนรู้ของจริงเอาเองธรรมะนะของใครของมันนะ ธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันก็ธรรมะของหลวงพ่อของเราก็ต้องมีธรรมะเฉพาะตัวของเราเองไม่ลอกเรียนแบบกันดูจากของจริงนะเบอร์เก้าเบอร์เจ็ดสิบห้ารู้สึกไห ม, มใจหนีไปแล้วเกงๆครับตื่นเต้นตอบถูกเมื่อไหร่จะเลิกตื่นเต้นมาดอยบ่อยๆ <laughs> <laughs> โรคตื่นเต้ น, มนไม่หายมันเป็นโรคประจําตัวนักเรียน รู้สึกไหมพวกเราคล้ายๆนักเรียนรู้สึกมแท้จริงชาวพุทธคือนักเรียนนะชาวพุทธคือนักเรียนเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเรื่อยๆไปจนวันหนึ่งแจ่มแจ้งเรียนจบแล้วได้รับปริญญาไปเจอนิพพานมีความสุขนั้นจริงๆทุกคนเป็นนักเรียนคนไหนไม่ยอมเป็นนักเรียนนะไม่ใช่ชาวพุทธหรอก ขนาดพระโสดาบันยังเป็นนักเรียนเรียกว่าเสคบุคนพระนาคาก็เป็นนักเรียนนะเป็นเสคบุคคลมีแต่พระอราหันตะ์เป็นอาศะขะไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเพราะว่าเรียนจบแล้วนั่นใจเราเกร็กงๆขึ้นมาเราก็รู้ทันมันดูออกแล้วใช่ไหมภาวนาเป็นแล้วล่ะใช่ได้แล้วที่ทําอยู่บางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์นะครับไม่ใช่ภาวนาเอาสุขทุกวัน ไม่ใช่เอาสงบทุกวันเอาดีทุกวันไม่ใช่ภานาเพื่อให้เห็นความจริงเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงกุศลทั้งหลายก็ไม่เที่ยงภานาให้เห็นของจริงเลยแรกๆพอไปเห็นว่าความสุขไม่เที่ยงเลยไม่ยอมรับไม่ชอบอยากให้เที่ยงก็ดิ้นใหญ่เลยเห็นว่าความสงบไม่เที่ยงก็ไม่ยอมรับนะอยากให้เที่ยงเห็นว่ากุศลทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยอมรับอยากให้เที่ยง ใจเราไปอยากในของที่ไม่มีจริง ใ, ใจจะดิน้นดิ้นเหนื่อยเปล่าแต่เรามีสติตามรู้กายตามรู้ใจเรื่อยๆก็จะเห็นได้มันของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ทั้งหมดความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนากุศลก็ของชั่วคราวจะเห็นอย่างนี้นะใจจะเป็นกลางเมื่อใดใจเข้าถึงความเป็นกลางใจก็เลิกดิน้นไม่ดิ้นล้วใจที่ไม่ดิ้นเนี่ยใกล้กับมรรคนิพพาน นิพพานเป็นความไม่ดิน้นเรียกว่าวิสังขารไม่ดิน้นนิพพานไม่มีความอยากไม่มีความผิวเรียกว่าวิราคะใจมันเต็มอิ่มไม่ดิน้ น, ใ น, ใ น, นนี่ก็ใกล้ถึงต่อนิพพานนนเราภาวนาไปจนใจเราเข้าถึงความเป็นกลางโลกุเทศเคยสานหลวงพ่อนะผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงความเป็นกลางเป็นกลางมีหลายแบบ เป็นกลางเพราะสมถะอันนี้ไม่พ้นทุกหรอกพ้นชั่วคราวใจเป็นกลางเพราะสมถะเป็นอุเบกขาอีกอันนึงเป็นกลางเพราะปัญญาตัวนี้ตัวสำคัญเป็นกลางเพราะวิปัสสนาเห็นในสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วก็ชั่วคราวเห็นเป็นกลางใจไม่ดิน้นตอนนี้ดูไปก็ยังดิ้นไปนะธรรมดาเนี่ดูไปมากๆเป็นวันนึงรู้เลยไม่ใช่เราหรอก มันก็ไม่ดิน้นต้องไงมีอะไรอีกเปล่าคือเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเหยาะแยะไปหรือเปล่าว่าดูสิ ด, ดูใจเราป้อปแปะทอแท้ไหมถ้าใจเราป้อปแปะทอแท้อ่อนแอะนะก็ต้องเราจริตใจให้แอคทีฟขึ้นหน่อยเมื่อกี้เนี่ยอ่อนแปอไปนิดหนึ่งเนี่ยจิตอ่อนแอเป็นอย่างเงี้ยมันจะป้อแป้ไปนิดหนึ่งคุณทันทีนะ่ะ จริงๆแล้วร่างกายต้องการนอนหลายชั่วโมงกันแต่จิตนอนนิดเดียวถ้าจิตนอนพอแล้วจิตจะขึ้นมาคิดๆที่เรียกว่าฝัน น, นอนมากก็ฝันเยอะนะต้องไงจริงๆไม่เห็นต้องถามดูไปเดี๋ยวก็รู้ด้วยตัวเองแล้วดูเป็นแล้วใช้ได้แล้ว แล้มีฉันทะทที่จะดูดูะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าแบบความอยากความไม่อยากมันก็บีบคั้นจิตใจเราตอนนี้จิตเป็นยังไงจิตฟุ้งซ่านดูออกไหม<ะ>ไม่รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านรู้เฉยๆไม่แตะต้องเขา่ะหเห็นเลยเขาจะฟุ้งก็ห้ามเขาไม่ได้<ะ>อย่างจิตใจจะเฉยๆเราก็ดูเอานะถ้ารู้สึกมันเฉยมันเหนื่อยนะก็เร้าใจให้คึกคักหน่อยเช่น กำหนดวันจะมาเจอหลวงพ่ อ, อ น, นีนจะเริ่มคึกษทักจะมาเจอหลวงพ่อมันจะแอคทีฟนะไม่ค่อยกล้า่วยหรอกเดี๋ยพวกขี้เกียจมากๆก็จะมาขยันกลางทางมีฟิตซ้อมเพื่อนชวนคุยไม่อยากคุยด้วยนะอย่าขอรีบดูก่อนบางคนก็รีบคิดใหญ่เลยว่ามาแล้วถ้าหลวงพ่อถามจะตอบว่าอะไรเขาเรียกว่า ไปเตรียมดูเฉลยคําตอบไว้ก่อนอย่านึกว่าไม่รู้นะว่าเวลาทํางานนะคะหรือว่าเวลาที่อยู่กับคนอื่นมีสติดูกายโดยใจน้อยไม่เหมือนกับอยู่คนเดียวหรือว่ามาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อหรือว่าอยู่ในบรรยากาศที่มันสปะะัปยาคะคือจิตใจเรายังไม่แข็งแกร่งรก็ต้องเลือกสิ่งที่สัปะยะ บุคคลสัปเพยะ้วเราไปเจอพวกท็อกซิกก่อควรประสาทภาวนายาก mm hmm. มีสภาพแวดล้อมสัปเยะบางคนชอบอยู่ในเมืองนะ mm hmm. นั่งรถไปรถ ต, ติดให้ภาวนาดีอย่างนี้ก็เรียกว่ารถติดเป็นสัพเยะของเขา mm hmm. มีนะพวกชาวเมืองอ mm hmm. ให้ไปอยู่ป่านะฟุ้งซ่านหนักเลย mm hmm. พวกเราที่อยู่ในเมืองมาจนชินนะลองไปอยู่ป่าวันแรกเลย มันจะฟุ้งสุดๆเลยแล้วเราจะนึกไม่ถึงนะในป่านี้เสียงดังกลางคืนนี่เสียงดังมากเลยเสียงตลาดตลาดเยอะใจจะฟุ้งได้ง่ายมันอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันอาหารก็สัพเพยะนะอาหารบางอย่างไม่เหมาะกับเรากินแล้วไม่สบายจิตใจซึมกระทื อ, อ่งี้ใช้ไม่ได้สภาพแวดล้อมที่อยู่ที่อยู่ก็ต้องสัพพยะ บางทีเรามาอยู่วัดแม่ไม่มีธุระอะไรอยู่บ้านมันมีธุระนะมันมีความรับผิดชอบมาอยู่วัดมันเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมาอาศัยอยู่มันไม่ต้องไปดูแลต้องอะไรมากมายอยู่บ้านมันจะมีรายการเต็มทุกวันแต่ตอนนี้ทำ น, นี้ตอนนี้ทา น, นี้นะก็อคอยคิดล่วงหน้าไปแต่พออยู่วัดนา น, านๆก็จะเหมือนอยู่บ้านเริ่มคุนง้นพระเวลาอยู่ที่ไหนนานๆบางทีก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศ รูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ให้ไปทุดงบางทีท่านไม่ไว้ใจให้ไปทุดงท่านพาไปเที่ยวอย่างมีเลยพาไปเที่ยวสวนเสืออะไรย่างนี้ก็มีหลวงพ่อไม่ได้พาพระไปสวนเสือบางองค์ก็พาไปดูน้ำตกอะไรอย่างนี้แต่คงไม่พาไปดิสโกเทกแล้ว <laughs> สิ่งแวดล้อมใหม่ๆจะกระตุ้นให้ใจคึกคักเข้มแข็ง เฉยๆเนื่อยๆนะบางทีก็ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบ้างจะแอคทีฟขึ้นเหมือนเราทำงานที่เดิมหลายๆปีรู้สึกไม่ชักเฉยอะไรๆก็รู้หมดแล้วไม่ค่อยยอมคิดอะไรใหม่ๆพอเปลี่ยนงานนะแอคทีฟนะต้องคิดใหม่เยอะแยะเลยก็พยายามรู้สึกตัวระหว่างวันค่ะแต่ว่ายังรู้ได้ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยถี่ก็ส่วนมากจะเป็นอารมณ์หยาบๆอย่างเช่นพวก ขัดข้องใจโกรธขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรธดูง่ายที่สุดค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมาเกาะ อ, อยู่ที่เวลาเดินก็พยายา ม, มรู้เท้าไปก่อน <S <S สภาวะธรรมยังมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่<ห>ไม่แน้ใจเมื่อ<ๆ>อยากรู้สภาวะธรรมให้ชัดเนี่ยสภาวะธรรมแหะรู้สึกว่าตอนนี้แย่แล้วดูไม่ชัดให้รู้เลยว่ากําลังรู้สึกแย่ล้เนี่ยสภาวะธรรมจริงๆมีตลอดแต่เพียงแต่เราไปนึกว่า ตอนนี้ไม่มีสภาวธรรมให้ดูแท้จริงแล้วสภาวธรรมไม่เคยหายไปไหนเหลย ส, ภ า, สภาวธรรมคือรูปกัณ น, นามีตลอดเวลาแหละนี่บางคนภาวนาใจว่างๆ ว, ว, ว, ว่างแล้วบอกไม่มีอะไรให้ดูก็ดูความว่างสิความว่างก็ยังไม่เที่ยงอีกเนี่ยไปตรึงความรู้สึกให้ทื่อๆแล้วรู้สึกไหมเนี่ยอย่าไปกดไหมอย่าไปตรึงปกติคือแสดงว่าปกตินี่ยังรู้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรเปล่าคะ ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นธรรมชาตินะอยู่นอกวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปตามดูนะขี้เกียจดูนะถ้าลูกศิษย์รุ่นโบราณเลยรุ่นแรกๆไล่จีกไล่จิกเลยนะอยู่บ้านอย่างไล่จิกเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งภาวนาทําอย่างอื่นไม่ได้นะทําอย่างอื่นแล้วจิตไม่ตื่นต้องเดินหลวงพ่อไล่จิกให้เดินทุกวันเลยนะพอไม่เดินทัวร์สับไปฉุวกะไม่เดินไม้เดิน <c oughs> แก บ, บอกแกเดินจะจะเดินขึ้นบันไดบ้านไม่ได้แล้วนะเดินจะน่วมไปหมดแล้วไม่ได้ต้องเดินเราไม่เดินต้องไล่เขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วคนเป็นเยอะเห็นดูอย่างนั้นหลวงพ่อต้องตายก่อนช่วยตัวเองให้เยอะๆช่วยตัวเองให้มากสังเกตสู้ด้วยสติด้วยปัญญามีสติก็คืออย่าลืมตัวเองคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้เรื่อย มีปัญญาก็คอยตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยเลยที่ทําอยู่นี้มันถูกหรือมันผิดอย่างเราภาวนาไปแล้วใจของเราหนักหนักแน่แนๆ่แนแข็งแข็งอะไรผิดแน่นอนหรือเราภาวนาแล้วเครียดเครียดขึ้นมาผิดแน่นอนภาวนาแล้วต้องสบายต้องโปร่งโล่งๆต้องสบายนะหรือภาวนาไปแล้วแหมมันสบายมาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วต้องผิดแน่นอนอะไรมันจะเที่ยงขนาดนั้นอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนานสิการ เราต้องมีพวกนี้มีสตินะมีปัญญาปัญญาเบื้องต้นของเรานี่แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการแยบคายในการสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เดินนี้มันถูกหรือมันผิดหรือแยบคลายเช่นเรารู้สึกว่าเราภาวนาแล้วช่วงนี้มันเนื่อยเนื่อยไปสังเกตตัวเองมันเหนือยเนยไปมันก็ต้องแยบคายนะให้มันแอคทีฟขึ้นมาหน่อยหรือช่วงนี้ขยันดูทั้งวันทั้งคืนเลยนะยเพื่อนๆถามว่าไปกัดกะทมาดูโสมนะ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 ต้องฟังธรรมอย่างฟังหลวงพ่อพูดหรืออ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนไว้โยนิโสมนานสิการไม่ใช่การคิดพิจารณาตามใจชอบแต่การคิดการพิจารณานั้นจะต้องสอดคล้องถูกในหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างถ้าเราภาวนาไปแล้วเราพยายามจะดูจิตให้ทันโมโหตัวเองดูยังไงก็ไม่ทันสักทีถ้ามีโยนิโสมนานสิการแยบคายเคยได้ยินได้ฟังมา ว่าการดูจิตนี่ต้องตามดูเราก็จะระลึกขึ้นได้ว่าพลาดแล้วไปพยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือพยายามดูจิตให้เป็นปัจจุบันเนี่ยโยนิโสมานนสิกานไม่ใช่คิดเลื่อยเปื่อยตามใจชอบนะหลายคนเคยไปอ่านหนังสือสมัยก่อนมีนะเรื่องหนึ่งชื่อสิทธาระทะแล้วตอนหลวงพ่อหนุ่มๆนมนะัมีเรื่องนกนางนวลด้วยนกนางนวล พออ่านแล้วแมมใจมันฮึกเหิมจะหาธรรมะด้วยตนเองเหมือนสิทธาระะเหมือนนกนางนวล น, นกนางนวลตัวนี้ตกทะเลยังไงเลยเราะั้นต้องเรียนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะหาด้วยตัวเองเนี่ยหาได้เหมือนกันถ้าเราเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ใช้เวลาอย่างต่ำที่สุดในยี่สิบอสงไขยใช้เวลาต่ำที่สุดที่จะหาด้วยตัวเองได้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยภาวนาไหมา ก่อนที่จะบรรลุเป็นพรนะพุทธเจ้าเนี่ทั้งหมดอ่ะยี่ิบอสงไขยแสนมหากรัพยี่สิบอสงไขยนี่นะสิบอสิบหกอสงไขยเนี่ยทํำใบรุ่มรุ่มดอนดอนสียอสงไขยแสนมหากรัพสุดท้ายนี่เท่านั้นแหละที่ได้รับพยากรจากพระทีปังกรไม่ใช่ทีปังกรเด็กเด็กนี่นะทีป <laughs> <laughs> ังกรองน้นพยากรแล้วนิ่ผ่านแล้วนะงั้นเรา ฟังนะฟังอดทนนิดนึงฟังหลวงพ่อพูดทีนึงแรกเหมือนยากฟังแล้วจะเข้าใจยากนิดหนึง่งอดทนฟังไปเรื่อยๆจนสติเกิดถึงวันนี้หลวงพ่อนับจำนวนไม่ถูกแล้วนะคนที่ภาวนาจนสติเกิดอัตโนมัติเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันมีหลายสิบคนนะในห้องนี้ก็เยอะแยะไปหมดถ้าดูเป็นจะรู้เลยคนที่มานั่งในห้องนี้เนี่ยจิตใจยังกระดวงดาวสว่างพราวไปหมดนะเยอะแยะ เรียนไปจนสติตัวจริงเกิดฟังไปเรื่อยๆหลายคนสงสัยทําไมหลวงพ่อไม่สอนให้เดินท่าไหนให้นั่งท่าไหนให้หายใจท่าไหนหลวงพ่อทําไมพูดแต่ธรรมะพูดแต่เรื่องสภาวะเรื่องอริยสัจเรื่องสติปัฏฐานอะไรเนี้ยที่ไม่ได้สอนไว้ให้เดินท่าไหนนั่งท่าไหนหายใจท่าไหนขยับมือท่าไหนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ พระพุทธเจ้าสอนอริยาศาสตร์สอนสติปัฏฐานสอนอะไรอย่างที่หลวงพ่อไปจําท่านมาเล่าให้ฟังนี่แหละแจะทําไมคนฟังธรรมเหล่านี้แล้วบรรลุธรรมพวกเราทําไมเราไม่สนใจธรรมะพวกนี้เราสนใจแต่ว่าจะนั่งยังไงถึงจะถูกหายใจแล้วจะลมจะกระทบตรงไหนถึงจะถูกเราสนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านไม่รู้หรือท่านไม่สอนท่านรู้แต่มันไม่จําเป็น ทางใครทางมั น, นวิธีการเนี่ยเรื่องทางใครทางมันนะไปดูเอาว่าเราทํายังไงแล้วสติเราเกิดบ่อยแล้วเอาอย่างนั้นต่างหากละ่ะนี้พวกที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านไปลองวิธีของท่านเองเออทางนี้ดีแฮะทําแล้วสติเกิดท่านเอามาสอนพวกเราก็คิดว่าต้องทําอย่างท่านสติถึงจะเกิดไม่เกิดหรอกทางใครทางมันเพราะฉะนั้นต้องฟังหลักให้รู้เรื่องนะสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่เป็นหลักทั้งหมดเลย หลวงพ่อไม่ค่อยพูดเรื่องอุบายยกเว้นแต่อาการสาหัสจริงๆถึงจะสอนอุบายให้แก้ส่วนใหญ่จะอสอนแต่หลักการเราก็ไปเจริญสติเอาเราควรจะรู้กายหรือเราควรจะรู้ใจไปดูตัวเองว่าเรารู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยไปรู้อันนั้นแล้วเราก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกของเราไปแต่อย่าลืมหลักที่พระพุทธเจ้าสอน ลองผิดลองถูกเช่นเราภาวนาไปแเราก็คิดเราไปเจอตัวผู้รู้ขึ้นมาบางคนภาวนาแล้วเกิดตัวผู้รู้เราไปจ้องใส่ตัวผู้รู้จ้องไปหลายๆวันนะถ้ามีโยนิโสมันนสิการจะรู้ว่าไม่ถูกละเนี่ผิดอีกละเอาใหม่ภาวนาใหม่นะตามหลักที่หลวงพ่อสอนให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจไปซื่อๆตามความเป็นจริงได้สักพักเดียวนะเริ่มกระบิดกระบวนลาร เริ่มีกระบวนกาปรุงแต่งแนละ้วทําอย่างนี้น่าจะดีกว่าเก่าน่าจะดีกว่ารู้เฉยๆลองทําอย่างนี้ดูเอาจิตไปไว้ที่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วครึ่งสามกระเบียดอะไรเนะี่ยอย่างนี้ท่าจะดีหรือเอียงข้างซ้ายอีกสององศาลองดูเอ๊ะเข้าทีฮะทาไปหลายๆวันเนใจชักโง่ๆไงชอบกลนอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องสังเกตนะเราจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยแล้วหลวงพ่อจะเฉลยให้เลย พวกเราไม่ได้ลองถูกหรอกพวกเราจะลองผิดตลอดเพราะว่าไม่ว่าลองอยังไงนะตันหามันพาให้ลองลองอย่างนี้สีหน่าจะดีลองอย่างนี้สีหน้าจะดีออะดรับลองไอ้ที่ลองผิดลองถูกนะลองผิดแน่นอนเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆนะอย่าตกใจเรียนรู้สิ่งที่ผิดมากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยไอ้นี้ผิดไอ้นี้ผิดไอ้นี้ผิดที่ถูกอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองที่ถูกไม่ได้อยู่ไกลๆที่ต้องไปทเที่ยวสแสวงหาอย่างที่นึกไว ทุกวันนี้เที่ยวแสวงหาที่ถูกนะอยากได้ธรรมะเที่ยวแสวงหาใหญ่ทํำยังไงจะถูกทํำยังไงจะถูกหยุดทำต่างหากแล้วถูกหยุดทำต่างหากทำไมหยุดได้เพราะมันฉลาดมันโง่มานานมันรู้ว่าทําอย่างนี้ก็ผิดทําอย่างนี้ก็ผิดมาหาหลวงพ่อนะถูกตีทุกวันรู้สึกไหมเนี่ยถูกตบซ้ายทีตบขวาทีนี่เฉยไปไอ้นี่เร่งไปไอ้นี่หนักไปไอ้นี่เบาไปนี่ติดสุกมากไปไอ้นี่เคร่งเครียดมากไปนะ ไม่มีแต่เรื่องทุบซ้ายทุบขวาตบซ้ายตบขวาอันนี้คือหน้าที่ของครูทั้งหัเพราะพระพุทธ เ, เจ้าก็บอกเราจะกะนาบพวกเธอนะเหมือนช่างปั้นหม้อ น, นวดดินทุบแล้วทุบอีกนะทุบซ้ายทุบขวาใครทนได้ก็ได้แก่นใครทนไม่ได้เชิญกลับไปเพ่อหลวงพ่อไม่ได้เชิญให้มานะแต่ถ้าทนได้นะทนฟังหลวงพ่อจะเข้าใจจน จ, นจิตตื่นขึ้นมาจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนที่ไหนนะมันง่ายสุดๆเลย ง่ายมากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวตอนก่อนจะปิดวัดรอบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งตรงนี้มารายงานจะหลับจะตื่นรู้สึกตัวตลอดจะนอนเนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดนอนไปแล้วจิตจะขยับตัวไปคิดก็เห็นตลอดเลยเนี่ยทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะอัตโนมัติไปหมดเลยไม่มีหน้าประเภททำไปแล้วดีเป็นหนึ่งชั่วโมง 2ชั่วโมงเวลาที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่มีฝึกกับหลวงพ่อเนะดูทั้งวันทั้งคืนดูโดยโดยตั้งใจดูนะกลางวันนี่แหละกลางคืนไม่ต้องเจตนาดูมันดูเองเจตนาไม่ได้นะการหลับเกิดฝันไม่ดีแวบเดียวท่านนะสติทำงานละกลัวขึ้นมาปับ๊บดูปั๊บเลยความน่ากลัวดับทันทีเนี่ยถ้าฝึกไปอย่างนี้ตายไปไม่ตกนรกแล้วนะไม่แอบาย แต่ไม่ตกนรกอ่นแน่นอนนะไม่แปรบายอย่างเสียเส่ยงๆอยู่นะนรกมันดูน่ากลัวเวลาเราจะตายเราไปนิมิตเห็นภาพนารกอุ๊ยมีปีนต้นงิ้วด้วยนี่จริงๆนรกจะมีงิ้วหรือไม่มีไม่สำคัญหรอกนะแต่ว่าเราชอบคิดว่านารกต้องมีต้นงิ้วกระทะทองแดงดูโลเทกน่าดูเลยนะ <c oughs> นิมิตขึ้นมาปุ๊บนะใจกลัวขึ้นมา สติทำงานทันทีเห็นความกลัวปับความกลัวดับจิตเบิกบานนี่ตายปุ๊บตอนนี้นะไปสุคติเลยแต่ว่าอาบายตัวอื่นยังไม่แน่เช่นนิมิตขึ้นมานะเห็นมา้าเห็นลาโอ้ยสวย <c oughs> นะสวย <c oughs> เป็นคนชอบนะหรือคนที่ชอบปลากัดนะนิมิตเห็นปรากัดอู้ชอบจังเลยสติตามไม่ทันใช่หไหมมันไม่ใช่กลัวแต่มันชอบ เรียบร้อยงั้นต้องฝึกไปนะฝึกไปจะปลอดภัยจริงๆได้พระโสดาปลอดภยัยปิดอบายนอกนั้นยังเสี่ยงกับอบายนะเสี่ยงขนาดได้รับพยากรแล้วก็ยังตกนรกได้นะเดี๋ยวว่าแต่พวกเรายังไม่ได้รับพยากรเลยง <c oughs> ั้นประมาทไม่ได้อบายไปง่ายนะขึ้นกลับขึ้นมายากนะนี่ไอ้ทิดเหลืองของหลวงพ่อคนเรียกเจ้าพ่อเหลือง ผู้เสียหมาเนี่ยมีคนเป็นดินทานในอินเทอร์เน็ตแ <c oughs> บบไอ้เหลืองเจ้าพ่อเหลืองเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เป็นหมานะแต่มันประมาทพลาดครั้งมันเป็นหมาพอจะกลับขึ้นมาเป็นคนแล้วภาวนาได้ไม่ใช่ง่ายนะอีกนานแค่ไหนไม่รู้เวลาเราเผลอพลาดครั้งในแว บ, บเดียวไปง่ายเลยงั้นอย่าประมาทต้องภาวนาเอา